ท่านที่เป็นผู้รู้กว่าเราสามารถที่จะชี้แจงนะสามารถจะอธิบายบอกกล่าวเรานะได้อย่างละเอียดได้อย่างพิสดารเพื่อที่จะทำให้เราเนี่ยแบบว่าโอ้ได้หลุดพ้นจากไอ้ไอความหลงจากโมหานั้นนะออกมาได้เพราะฉนั้นะต้องไถ่าถามอันนี้จำไว้เลยนะพุทธเจ้าท่านบอกข้อที่สองว่าต้องไถ่าถามไม่ใช่มาฟังเฉยๆฟังเสร็จ คิดเองนึกเองบางทีก็ถูกมัง่งไม่ถูกมังก่ง น, นะแล้วก็เดี๋ยวก็กลับไปอีกแล้วแล้วเอา้าอาทิตย์หน้ามาใหม่เอาฟังถูกมัง่งไม่ถูกมัง่งก็กลับบางคนก็กองทิ้งไว้ตรงเนี้ยกลับแต่ตัวท่านท่านเนี <c oughs> ่ยไอความรู้ที่ฟังก็ไม่เอากลับไปด้วยสิอ่ะอ่าอต่นี้สามท่านบอกว่านะจะต้องมันฟังทำตามกาละคือเราต้องรู้ละยิ่งเนี่ยถ้ามีครอบครัวหรือว่ายังอยู่บ้านอยู่เรายังไม่ได้อยู่วัดหรือแม้จะอยู่วัดก็ตาม ท่านก็ต้องถือว่าต้องมาหมั่นฟังธรรมไม่ควรขาดเลยเราไม่ควรเว้นเลยเราควรที่จะมาศึกษาธรรมะเราควรที่จะมาฟังธรรมนะครับอันนี้สรุปง่ายๆก็คือข้อที่สามนี่คือต้องหมั่นมาฟังธรรมมีโอกาสเมื่อไรมาเลยนะอย่าให้โลกโลกีหรือว่าอย่าให้ไอ้เรื่องนโน้นเรื่องนี้อะไรนะมันดึงมันฉุดเราไปมากนะักจนกระทั่งบางคนแม้อยู่วัดนี่แหละแต่ไม่ค่อยได้ฟังธรรมแล้วจะเจริญได้ไง เพออรคนนั้นกับโมหะโมหะเพราะว่าหลายสิ่งหลายอย่างที่เราเนี่ยเราคิดว่าเรารู้ดีแล้วบางทียังรู้ผิดผิดด้วยซ้ําไปจนกระทั่งบางทีโอ้โหเรามาฟังเพราะท่านเทศหรือว่าฟังสมณะหรือว่าสมณะผู้ใหญ่ท่านนะชี้แจงอธิบายให้เราฟังเราถึงจะรู้เข้าใจว่าโอ้ไอ้ที่เราเข้าใจคิดว่าดีแล้วถูกแล้วที่ไหนได้มันยังไม่ดีต่างหามันยังไม่ถูกเนี่ยเราถึงจะเข้าใจได้เพิ่มขึ้น นปะปัญญานี้ที่สามที่สี่ท่านบอกว่าจะต้องมีการสนทนาธรรมสนทนาธรรมตามการคือตามเวลาคือไถ่ถามนะมันเป็นการถามเลยไปฟังนี่เราก็ได้แต่ฟังใช่ไหมแต่สนทนาธรรมนี่คือการได้พบปะได้พูดคุยกับเพื่อนผู้ที่ปฏิบัติธรรมด้วยกันหรือกับผู้ที่มีศีลสูงกว่าเราเพราะว่าการสนทนานี่ มีโอกาสมากเลยที่จะทำให้รู้จริตนิสัยด้วยแล้วก็ได้เข้าใจธรรมะทั้งลึกทั้งกว้างได้เยอะแยะเพราะว่าการพูดคุยนี่ยิ่งกว่าแค่ฟังยิ่งกว่าแค่ถามแล้วนะเพราะพูดคุยนี่เป็ น, ป น, ปนการที่เรียกว่าโอ้โหได้ถามตอบได้แลกเปลี่ยนได้อะไรกันที่มากกว่านั้นอีกนะเพราะฉะนั้นมันถ้ามีโอกาสบางทีเนี่ยฟังเทศฟังทำเสร็จแล้วไม่รีบกลับไม่รีบกลับบ้าน อา้าวเรามีแผนกปฏิสันฐานนะขึ้นไปพูดคุยสนทนาธรรมได้นะสี่ละอ๋อมีอยู่ห้าข้ออันนี้ข้อสุดท้ายในสายของโมหจริตแก้ด้วยการอยู่ร่วมกับครูโอ้อันนี้นะอยู่ร่วมกับครูคือพูดง่ายๆว่าอย่าหลงตัวเองนักเลยนะถ้าพูดง่ายๆคืออย่าหลงตัวเองนักเลยว่าชั้นนี่หนึ่งและชั้นนี่แน่แล้วความคิดชั้นนี่ เป็นเลิศเป็นเยี่ยมและนะส่วนใหญ่เนะี่ยคนอื่นคิดไม่เท่าฉันคือพูดง่ายๆไม่มีใครเป็นครูเราได้เราเป็นครูตัวเราเองนะเชื่อมั่นจนกระทั่งเนี่ยหนักเลยนะถ้าใครเนี่ยหนักถึงขั้นนี้ไม่มีใครสอนได้พระเจ้า ก, ก็สอนให้ไม่ได้เพราะคนนี้ไม่มีใครเป็นครูเราได้เราเป็นครูของตัวเองพุกพูดมุมนึงก็ถูกนะว่าเออก็เชื่อมั่นตัวเองดีอาจจะเชื่อถูกก็ได้นะแต่ ถ้าเชื่อมั่นอยู่แต่อย่างนี้เนี่ยแล้วใครอะเราจะยอมรับฟังความคิดเห็นของใครได้ในเมื่อเราเองเราเชื่อว่าเราถูกที่สุดแล้วอะ่ะแล้วมันจะเหลือใครอะ่ะที่จะใหญ่กว่าข้ามันจะเหลือใครเพราะฉะนั้นความคิดเหความคิดเห็นอื่นเนี่ยสอดแทรกเข้ามาในจิตใจยากมากเพราะฉะนั้นเราต้องพร้อมที่จะเป็นลูกศิษย์ที่จะมีครูด้วยถ้ามีครูที่ดีพ่อท่านก็บอกว่าเออถ้าเนี่ยในโลกเนี่ย ถ้าท่านได้ยินข่าวที่ไหนว่ามีใครเนี่ยที่เรียกว่าโอ้โหดนะียอดเยี่ยมยิ่งกว่าท่านแล้วเนี่ยท่านก็จะไปเหมือนกันจะไปอยู่กับคนนั้นเหมือนกันอจะไปยอมเลยเอจะไปอยู่กับผู้นั้นเลยถือว่าโอ้โหนั่นยอดกว่าเราจริงๆวันจะไม่หลงตัวเองะวั้นอันเนี้ยเป็นวิธีแก้วิธีหนึ่งว่าอย่าหลงตัวเองมากนักว่าฉันนี่เหมือนกับใหญ่ที่สุดในโลกนี้แล้วรู้ดีที่สุดแล้วเพราะวั้นต้องมีครูบาอาจารย์แล้วมีครูยังไม่พอ พุทเจ้าท่านบอกว่าจะต้องไปอยู่ร่วมด้วยหมายถึงว่าอาจจะต้องมันไปหา อ, าอย่างอย่างเช่นบางคน อ, า, อาจจะมันมาวัดใช่ไหมพบครูบาอาจารย์เนี่ยต้องมันหรือบางทีแม้ว่าจะอยู่บ้านาเราอาจจะฟังเทปธรรมะพอท่านหรือว่าเราอ่านหนังสือธรรมะอะไรเงี้ยนี่ก็เหมือนกันเราก็อยู่กับครูเหมือนกันแต่ประเด็นที่สําคัญ นะก็คือว่า เ, อาเวลาฟังด้วยมันอยู่ที่ถ้าฟังโดยที่ว่ า, าเราเองเราไม่จะยกให้เป็นครูของเราจริงเนี่ยบางทีมันก็คอยตั้งคำถามถามแบบว่าย้อนแยง้งหรือว่าแบบว่าฟังแล้วก็หาอะไรอะเรื่องเถียงอยู่เรื่อยนะคือถ้าอย่างนี้ไม่มีทางฟังเข้าใจได้ราะบางทีต้องถอดตัวถอดตนออกไปบ้างถอดไอ้ไอความยึดความคิดเห็นของตัวเองว่า เราคิดอย่างนี้เรายึดอย่างนี้ว่าดีว่าถูกเนี่ยท อ, ทอดออกไปบ้างนะฟังคนอื่นหรือว่าฟังครูของเราแล้วมันถึงจะยอมรับความคิดเห็นอื่นได้ไม่อย่างนั้นจะไม่มีวันเพราะบางคนเนี่ยฟังเทปนะอ่านหนังสือของชาวโสมีเนี่ยมีจดหมายโอ้เอาไว้คอยอ่านสาโสกเล่มหน้านะโอ้โหเขาว่ามาเจ็บแสบดีคันๆดีอ่ะนี่เอาลงเลยเอาลงในสารโสกเอาไว้ตามอ่านจดหมายจากญาติธรรม โอ้โหมาว่ามาเจ็บเจ็บแสบแสบคันคันนะว่าอาโศกรอกรวงอย่างนั้นอย่างนี้เลยท้งนั้นที่เขารับหนังสือเราแล้วก็อ่านเป็นประจําเลยนะอ่านมาว่าดีนะเขาก็เขาก็เชื่อมั่นตัวเองดีเหมือนกันแหละก็เขียนมาบอกให้เรารับรู้ด้วยว่าเขาไม่เชื่อเราแล้วก็แบบว่าเราเนี่ยโกหกหลอกลวงอะไรยังไงโอ้นะคอยอ่านดูนะถือโอกาสโฆษณาสารโศกเล่มหน้า คือที่พูดตรงนี้เนี่ยเพื่อที่จะให้เห็นว่าวานนี่นะถ้าลักษณะถ้ายึดเอาไว้อย่างนี้จะไม่มีทางทิศิีอื่นความคิดเห็นอื่นจะไม่มีทางแทรกเข้ามาได้เลยวันถ้าใครเนี่ยอยากจะเปลี่ยนจริตนิสัยได้ต้องเลิกนิสัยแบบนี้ต้องเลิกนิสยัยยึดตัวเองเป็นใหญ่ต้องเลิกทิ้งเพราะถ้าถ้ายึดอยู่แต่อย่างนี้แล้วเมื่ อ, อไร่ะ เราจะฟังคนอื่นเข้าใจว่ามุมดีมันเป็นยังไงของคนอื่นเขาจริงเขาอาจจะมีมุมเสียด้วยนะแต่ว่าคนนี้ถ้าตั้งใจฟังเราก็จะรู้ว่าเออมุมดีเขามีนี่เออมุมเสียเขาก็มีคนนี้ถึงจะฟังแล้วแยกแยะได้เอาเราก็เลือกเอามุมดีมาทีมุมเสียเราก็ไม่เอาวันจะต้องละนะทิฐิของตัวเองทิ้งวันนี้ห้าข้อที่พระเจ้าท่านให้แก้เรื่องของโมหะจริตอันนี้ขึ้นจริตที่สี่คือศรัทธาจริต นะศรัทธาจริตอันนี้เปรียบเหมือนกับสุนัขบ้านนะเหมือนกับความซื่อสัตวนะ์สุนัขบ้านมีความซื่อสัตว์นะรักเจ้าของเฝ้าออบ้านให้อย่างดีแต่ก็ไม่แน่นะทุกวันนี้สุนัขบางตัวรู้สึกปล่อยให้ขโมยขึ้นบ้านได้ <c oughs> ไม่ยอมเหา่าไม่ไม่เพียงจะไม่เหา่าหนีหนีขโมยหนีโจรซะอีกด้วยนะก็มีแต่อันนี้เปรียบในแง่ดีที่เห็นว่า ศรัทธาจริตนี่เป็นลักษณะจริตที่ดีนะเป็นสายที่มีความศรัทธามีความเชื่อถือเชื่อฟังหรือว่าเชื่อมัน่นความศรัทธานี้เราพูดเป็นในทางศรัทธาที่ดีนะไม่ใช่ศรัทธาที่งมงายศรัทธาที่มิจฉาทิฏฐิเลอะเลอะเธอเธองมงายจนกระทั่งบางทีครูบาอาจารย์สั่งให้ไปตายก็ไปตายดืย้อๆงั้นแนหะไอ้อย่างนั้นมันศรัทธาไม่มีเหตุผลนะ่ไม่รู้จักแยกแยะอะไรอันนั้นงมงายแล้ว แต่ศรัทธาในที่นี้เราหมายถึงว่าศรัทธาในทิศทางที่ดีรู้จักเหตุรู้จักผลรู้ว่าอะไรผิดอะไรถูกรู้จักแยกแย ะ, ะถ้าอะไรผิดเนี่ยเราก็ไม่ทำนะอะไรถูกเราก็กระทำอย่างนี้แหละแล้วเชื่อมั่นไหมเชื่อมั่นนะเชื่อฟังในครูบาอาจารย์เชื่อศรัทธาในหมูมิตรสหายว่าเออหมูเราก็เป็นมิตรสหายดี แต่ในหมู่มิตรดีสายดีเนี่ยมีขัดอกขาดใจแล้วบ้างไหมก็ ม, มีเป็นเรื่องธรรมดาขณะาศาสน า, าพุทธเจ้าอยู่ทั้งพระองค์นะยังมีพระเทวทัตมีอะไรอยู่เลยแล้วทําไมหมู่กลุ่มชาวโสดจะไม่มีบ้างล่ะ <c oughs> มันก็ต้องมีเพราะบางทีเนี่ยเรามาถือศีลปฏิบัติธรรมอยู่กับชาวโศกบางทีก็เจอเหมือนกันบางคนก็แอบแฝงเข้ามาอ้างว่าศรัทธาแต่จริงๆแล้วก็มาหลอกลวงก็มี หรือแม้ว่าศรัทธาจริงๆแต่ว่ายังไม่ฉลาดมากนะยังไม่ได้ศึกษาธรรมะได้ลึกซึ้งได้เข้าใจอย่างถ่องแท้บางทีก็ยังมีกิเลสอยู่มากอะราคะโทสะโมหะอะไรก็ยังมีอยู่แต่เขาก็ศรัทธาจริงๆเขาพยายามเข้ามาศึกษาเข้ามาเรียนรู้บางทีจับพระจับถูเราก็ไปเจอเข้าก็มีใช่ไหมเพราะนั้นเนี่ย เรื่องของศรัทธานี่ยจริงๆแล้ว โ, โหต้องเป็นตัวแรกต้องเป็นตัวนําเลยนะในเรื่องของศาสนาเนี่ยหลายพระสูตรเลยที่พระเจ้าท่านเอาศรัทธานำเลยเพราะฉะนั้นศรัทธาในที่นี้ต้องเป็นสัมมาทิฏฐินะจะต้องคู่กันเลยศรัทธาต้องเป็นสัมมาทิฏฐิหรือศีลหรือตบาบะวินัยอะไรต่างๆเนี่ยจะต้องประกอบด้วยสัมมาทิฏฐินะอาตอนนี้พระเจ้าท่านท่านเสริม อันนี้ท่านไม่ท้าไม่พูดในมุมลบเพราะฉะนั้ น, ท, นท่านพูดเสริมว่าถ้าเป็นสายศรัทธาแล้วเนี่ยนะจะเสริมยังไงที่จะทำให้จริตเนี่ยยิ่งศรัทธามั่นคงยิ่งศรัทธาถูกต้องจะไม่คลอนแคลนนะจะไม่เสื่อมคลายจะศรัทธาได้ตลอดชีวิตจนกระทั่งนะ่ะถึงนิพพานได้ต้องอาศัยศรัทธาด้วยคนไม่มีศรัทธาที่หนักแน่นมั่นคงแล้วไปไม่ถึงนิพพานหรอกอาจจะไปได้กลางทาง นะหมดเลี้ยวหมดแรงศรัทธาแล้วก็เลิกถอยหลังไปขันศรัทธานี้ต้องถึงที่สุดเลยที่จะต้องมีเพราะถ้าใครไม่มีความเชื่อมั่นแล้วหมดความเชื่อมั่นเมื่ไหร่ก็เลิกเมื่อนั้นพรนะพุทธเจ้าท่านตรัสว่าขัานจริตอย่างสายศรัทธานี่เสริมเพิ่มด้วยนะท่านท่านทรงแนะนําว่าเนี่ยจะต้องศึกษาเหมือนกันนะท่านจะแนะนําเรื่องพระสูตรเรื่องอะไรต่างๆ่างขัอย่างแรกเนี่ยท่านจะแนะนํา เรื่องของเนี่ยการตัดสรุดีแห่งพระพุทธเจ้าท่านพูดง่ายท่านจะตัดเรื่องคุณงามความดีเรื่องของการฝึกฝนการปฏิบัติ ต, าต่างๆว่าปฏิบัติอย่างนั้นอย่างนี้นะจนกระทั่งได้เป็นพุทธะหรือว่าได้เป็นพระพุทธเจ้ามีจริงจริงน ะ, ะท่านจะเนี่ยพูดโอ้โหบางทีบําเพ็ญทุกรกิริย า, าชาตินั้นชาตินี้ นะกว่าจะมาเป็นเป็นพระโพธิสัตว์อ่นะกว่าจะมาเป็นพระพุทธเจ้าได้โอ้โหท่านต้องบำเพ็ญเพียรขนาดไหนหรือบางทีต้องเจอวิบากกรรมขนาดไหนท่านต้องฟันฝ่ากว่าจะเอาชนะมาได้เนี่ท่านก็จะตัดเล่านะเรื่องของการฝึกฝนเรื่องของการอดทนต่างๆนะที่เป็นพุทธะเนะี่ยเป็นผู้รู้เป็นผู้ตื่นเป็นผู้เบิกบานเนะี่ยฟังแล้วจริงๆประทับใจเหมือนบางคนเนะี่ย แค่ได้ดูหนังที่เขาสร้างเกี่ยวกับพุทธประวัติโอ้โหได้ดูแค่นั้นนะบางคนเนี่ยซึ้งมากเลยประทับใจจนกระทั่งบางทีเนี่ยพยายามแล้วมันจะเกิดการเรียนแบบจะเกิดการพยายามที่จะทำดีให้ได้อย่างนั้นเนี่ยสายศรัทธาจะเป็นอย่างนั้นเพราะว่าบางทีสายศรัทธาบางทีว่าไม่ได้ฉลาดอะไรมากมายอาศัยแรงกระตุ้นจากสิ่งที่ดีเป็นตัวอย่างนี่แหละกระตุ้นแล้วทาให้เรามีพลัง บางคนเนี่ยไปปฏิบัติธรรมคนเดียว โ, โหยากนะแต่พอมาเห็นโอ้โหนี่เพ่อท่านปฏิบัติถึงขนาดนี้เหรอโอ้หมูนักบวชที่นี่ปฏิบัติอย่างนี้เหรอนะชาวโสดเขาโอ้โหเขาพยายามกินมื้อเดียวหรือว่ากินมังสวิรัติอย่างนี้เหรอเนี่ยมาได้พบมาได้เห็นมาได้ยินศรัทธาเกิดก็อยากจะมีอยากจะเป็นอยากจะให้เราก็เป็นคนหนึ่งที่เป็นอย่างนั้นด้วยนี่แหละ นั้นอย่างแรกพระเจ้าท่านตัดเนี่ยท่านก็ตัดเล่าเรื่องเกี่ยวกับพุทธะต่างๆนะอย่างที่สองนะท่านก็จะตัดเล่าเรื่องเกี่ยวกับธรรมะต่างๆนะธรรมะอะไรเนี่ยเรื่องของพระธรรมคําสอนเรื่องของพระสูตรนะที่จะทําให้เรื่องของวิบากกรรมเรื่องของกิเลสนานาประการแม้แต่เนี่ยจริตทั้ง6เนี่ยท่านก็จะเล่าเอาจริตทั้งหอย่างเป็นอย่างงี้นะเพราะฉะนั้นท่านจะเล่าอย่างเงี้ยให้เราเกิดปัญญา เกิดความรู้มันก็ยิ่งเพิ่มศรัทธาให้กับเราจนสุดท้ายนะท่านก็ไม่สุดท้ายท่านตัดว่าเนี่ยเล่าถึงการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบของผู้ปฏิบัติที่ปฏิบัติได้มาแล้วจะเป็นคลรวะจะตามจะเป็นพระสงฆ์ก็ตามนะว่าอาป ร, นนประวัติบุคคล น, นั้นประวัติบุคคลนี้เรื่องเคยมีมาแล้วนะว่าโอ้ภาษาลีบุตรปฏิบัติอย่างนี้อย่างนี้อนโอ้จนบรรลุมาได้ น้าเรียกว่าบุคคลนะ้าบุคคลนี้ปฏิบัติแล้วตอนนี้เป็นโสดาแล้วนะเป็นสกิทาแลนะ้เป็นอนาคารแนะ้เป็นพระอาหารหันต์แล้วนะ้เนี่ยท่านก็จะเอายกตัวอย่างบุคคลจริงๆอันนี้เป็นเครื่องยืนยันที่หนักแน่นแล้วก็มั่นคงที่สุดคนเราจะศรัทธาอะไรที่มั่นคงที่สุดเนี่ยคือศรัทธาจากความจริงแล้วก็ของจริงที่มีจริงๆศรัทธาที่สุดฟังแค่คนเล่ามาเนี่ยศรัทธาขนาดนึง เพราะฉะนั้นยิ่งคราวนี้นะเรามีตัวตนบุคคลจริงๆให้เราเห็นเลยแล้วเราเนี่ยเชื่อมั่นและเราศรัทธาแล้วว่าทําได้จริงๆอาตมาเนี่ยคิดว่าอาตมาเริ่มเริ่มต้นมาจากศรัทธาตัวนี้นะเพราะว่าอาตมาเนี่ยได้พบเห็นชาวโศกได้พบเห็นสมณะพบเห็นพ่อท่านปฏิบัติจริงๆนะว่าโอโ้ไม่กินเนื้อสัตว์จริง ๆ, ๆไม่ใช้เงินทองจริงๆนะแล้วก็อยู่เป็นหมู่เป็นกลุ่ม น่มีศีลเข็งครัดคือได้ได้เห็นพฤติกรรมอะ่ะคือมาอยู่ร่วมด้วยแล้วได้เห็นพฤติกรรมมันศรัทธาจริงๆว่ายอมรับว่าเอ อ, เ อ, อคนทําได้อย่างนี้จริงๆด้วยอย่างนี้ยแล้วตาหลังก็เลยรู้สึกว่าเออเราก็คนคนนึงเราเราน่าจะทําได้ด้วยนะอย่างนี้เพราะได้เห็นบุคคลที่มีจริงจงกนกระทั่งพอคนนี้เราเริ่มเราเริ่มทําตามดูบ้างอันตรายนี่ทําเองนะไม่ไม่ไดมาอยู่วัดไม่ได้มาอะไรเลยอยู่บ้านนั่นแหละคิดเองนึกเองอะไรเองหมดอหะ แล้วก็ลองทำเองแอบแอบทำที่บ้านไม่ให้ไม่ให้คนที่บ้านรู้สักคนก็แอบทำอยู่คนเดียวแต่อยากจะดูซิว่านั่นนะที่ที่ทำอย่างนั้นนะได้จริงไหมแล้วก็เลยล อ, ลองทำดูนะก็เลิกเลยเลิกล ก, ล ก, กินเนื้อสัตว์เลิกลกินหลายๆมือนะปฏิบัติทรมาเรื่อยแล้วมันก็ได้จริงๆคราวนี้แหละศรัทธาที่จะไม่มีวันเปลี่ยนแปลงเลยคือศรัทธาที่เกิดมรรคเกิดผลกับตัวเราเอง นั่นแหละคือศรัทธาที่ไม่เปลี่ยนแปลงถ้าใครได้มรรคผลจริงแล้วไม่มีเปลี่ยนไปเป็นอื่นแล้วนะ่าจะเที่ยงเลยครนนี้เพราะฉะนั้นนี่เป็นศรัทธานะตัวที่สามเรื่องของการที่เราเนี่ยได้พบเห็นผู้ปฏิบัติดีโดยเฉพาะเราปฏิบัติดีเองเลยนะสี่นะสุดท้ายพระเจ้าท่ด้ตัดให้พวกสายศรัทธาฟังในเรื่องของเนี่แหละศีลทั้งหลายเรื่องของการปฏิบัติศีล เรื่องของการที่จะฝึกฝนยังไงที่จะทําให้ตัวเราเองเนี่ยดีขึ้นเจริญขึ้นพัฒนาขึ้นเพราอนั้นดูนะศีลเลยนะเพราะสายศรัทธาเนี่ยยิ่งพูดถึงศีลพูดถึงเรื่องการปฏิบัติตนแล้วโอ้โหจะยิ่งฟังหูพึงเลยนะฟังหูพึงเลยเพราะอะไรฟังเพื่ออยากจะเอาไปปฏิบัติเอาไปแก้ไขจริตของตัวเองเรายังติดอะไรอยู่เนี่ยเอาไปปรับเอาไปแก้บางคนเนี่ยพอฟังแล้ว เอออันนี้เหมือนเราเลยนะคล้ายเราเลยนะเราก็มีกิเลสอย่างนี้มาเออเดี๋ยวเราเอาวิธีนี้ไปใช้บ้างนี่แหละก็เนี่ยแหละศีลหรือตะบะต่างๆเดี๋ยวเราก็เอาไปปรับใช้กับตัวเราเองแล้วเราก็จะค่อยๆเจริญขึ้นนะอันนี้เป็นศรัทธาจริตนะส่วนห้าข้อที่ห้าคือยานจริตหรือหรือพระเจ้าท่านใช้อันนี้ใช้อยู่สองคำว่าพุท ธ, ธิจริตกับยานจริต นะพุทธิกับพุทธะนั่นเองนะคือจริตนิสัยที่เป็นพุทธะหรือจริตนิสัยที่เป็นญาณเป็นความรู้เป็นในเรื่องของปัญญาพิจารณาหรือว่าวิปัสสนานะอันนี้เปรียบเหมือนกับลิงที่เปรียบเหมือนกับลิงเนี่ยเหมือนกับเปรียบเหมือนกับภาษารีบุตรนั่นเองภาษาลีบุตรเนี่ยเปรียบเหมือนกับลิงนะสายปัญญามีความคิดที่ไวเหมือนกับลิงเนี่ยที่ไวถ้าเราจับลิงมัด เชืยอเอาไว้ปล่อยเมื่อไหร่ก็โน่นละนะอยู่ไม่สุกหรอกเดี๋ยววิ่งไปโน่นเดี๋ยววิ่งไปนี่เพราะนั้นสายนี้จะไวนะความคิดไวปราดเปรีงแต่ในที่นี้เราหมายถึงไวแบบเป็นพุทธไวแบบเป็นจริตที่มียานมีความรู้ที่ถูกต้องที่ชัดเจนนันสายแบบนี้เนี่ยเป็นสายที่ดีอยู่แล้ววันพุทธเจ้าท่านกระเสริมบอกว่าท่านก็แนะนาว่าสายที่ที่จริงๆแล้ว เหมือนกับว่าปฏิบัติแล้วนะเข้าใจก็เข้าใจดีบอกสอนคนอื่นก็ได้นะมีพุทธะอยู่ในหัวใจพวกนี้บางทีเนี่ยมุมเสียก็คือบางทีอาจจะยึดดีมากอาจจะมีอัตตามาณะสู ง, งสายพวกนี้นะเพราะนั้นจะมาตกฐานตรงเนี้ยเพราะว่าทำอะไรก็ทำได้ด้วยแล้วก็ดีด้วยมันจะตกฐานนี้มันพุทธเจ้าเนี่ยถ้าจะบอกสอนสายพวกนี้ท่านจะสอนด้วยนะดูนะสอนด้วยวิปัสสนา วิปัสนาอะไรวิปัสนาไตารลักษณ์ก็คือไตรลักษณ์มีอะไรบ้างท่านจันช่วยตอบให้พวกนี้เงียบหมดแล้วก็คือไม่เที่ยง <c oughs> ใช่ไหมอันนี้จังแล้วก็เป็นทุกข์ทุกข์ังอนัตตาก็คือมันยึดเป็นจะเข้าจะของเป็นตัวตนเป็นอะไรไม่ได้เพราะอะไรอะ พอบอกแล้วสายนี้มักจะเป็นสายที่ยึดดีเพราะมีดีจริงให้ยึดด้วยเพราะมีดีจริงให้ยึดนี่แหละเพรานะฉะนั้นบางทีเนี่ยอาจจะต้องมาทุกข์หรืออาจจะต้องแบบว่าชนคนโน้นชนกันนี้บางทีอาจจะหนักไปแรงไปนะจนกระทั่งเป็นผลเสียบ้างก็ได้วัจริตนิสัยแบบนี้นี่นะได้ดีมาแล้วเนี่ยนะพุทธทิจาริตนี่ได้ดีมาแล้วพระเจ้าเลยต้องสอนกดไตายรักให้รู้ ให้วิปัสสนากดทองไตหลักว่ า, อวาเออแม่ยึดดีนี่นะเราดีแล้วก็จริ ง, งนะแต่บางทีก็ไม่ใช่แม่เห็นคนที่เขายังไม่ดีนี่เราก็เอาเรื่อง เ, อเรากินมังสวิรัตได้แล้วเห็นคนยังกินเนื้อสัตว์อยู่บางทีเราอาจไม่ค่อยชอบใจนะเห็นคนสูบบุหรี่อยู่แปลบุหรีอ่ออกจากปากเขา <c oughs> ระวังเลยนะโดนเขาอัดเขาแหงนะเขาไม่อัดบุหรี่นะเขาอาัด คนเลยนะเขาเนี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีมันยึดดีจนกระทั่งมันมันเป็นผลลายก็ได้เป็นผลเสียก็ได้เพราะฉะนั้นก็จะต้องรู้ว่าบางทีเออมันก็ต้องรู้นะมันก็ไม่เที่ยงใดเหมือนกันนะแล้วยิ่งอยู่กับหมู่กับกลุ่มอยู่กับสังคมเขามันก็ต้องมีอ่ะพวกนี้อยู่เพราะฉนั้นบางทีมันก็ต้องรู้ว่าเออมันไม่เที่ยงอนะมันเป็นทุกข์ก็ได้นะแล้มันยึดเป็นเจ้าเจ้าของเป็นตัวตนอะไรเกินไปนักเนี่ยมันไม่ได้หรอกนะนี้พูดคร่าวๆสรุปให้ฟัง ว่าสายนี้ก็ผู้เจ้าท่านจะสอนอย่างเงี้เพื่อให้ปรับจริตไว้บ้างเพื่อจะแก้เอาไว้บ้างไม่อย่างนั้นแล้วมันหลงยึดดีมากไปถือดีมากไปเอ้าเกิดสงครามศาสนาก็ได้นะก็ต่างคนก็ต่างยึดว่าฉันก็ดีอ่ะฉันก็ดีอ่ะก็ต่างยึดอย่างนี้อยู่ในวัดก็เหอะก็เป็นก๊กได้หลายก๊กอยู่ในวัดเนี่ยยิ่งกว่าสามก๊กอีกในวัดก็วัดเถอะเพราะฉะนั้นแล้วก็ ก, ก็ต่างคนก็ต่างยึดดีว่าทำอย่างนี้สิถึงจะดีทําอย่างง้นสิถึงจะดีก็ต่างคนก็ต่างยึดอนี่ยนะเป็นก๊กเป็นเหล่ากันก็ได้เพราะฉนั้นอันนี้ยจะสลายสลายตัวอัตตามารณทิฏฐิพวกเนี้ยลงให้ได้แล้วมันถึงจะเป็นพุทธะจริงจรางมันพุทธะจริงๆแล้วเนี่ยเป็นผู้รู้เป็นผู้ตื่นเป็นผู้เบิกบานจริงๆแล้วเนี่ยมันต้องถึงนิพพานในที่สุดก็คือไม่มายึดอัตตาตัวตนแล้วนิพพานนี่เป็นอนัตตา นะจะต้องจะต้องชัดอย่างนั้นแล้วก็ทําอะไรก็ทําเพื่อประโยชน์สุขนะของส่วนรวมแล้วก็ของตัวเราด้วยคือไปด้วยกันไม่ใช่ของเราคนเดียวนะประโยชน์ประตนประโยช น, ยชน์ท่านเนี่ยมันจะคู่กันเพราวันนี้ถ้าเราเข้าใจได้เราก็จะรู้ว่าเออบางทีเรายึดดีอย่างเงี้ยนะแต่ของเราอยู่คนเดียวอะ่ะสมมติอยู่ที่บ้านอย่างเงี้ยนะเอาละถือศีลแปดมาอบรมที่วัดโอ้โหดีดีฟังก็เข้าใจโอ้ อะไรนะศรัทธาพุ่งกระชูดเลยนะโอ้โหแรงมาแรงนะเหมือนกับสุริโยไทยมาแรงตอนนี้นะกลับบ้านเลยเอาเลยเชิญนะมาไปแรงเลยคนนี้กลับไปบ้านนี่เอาเลยลูกเลิกกินเนื้อสัตว์กินมังสวิรัตวสามีเอา้าเลิกเผอๆถือสินแปดเลยนะอย่างนี้นนประเด็ดการที่บ้านเลยโอ้ระวังเถอนะสุริโยไทยนี่เป็นยังไงอ่ะ ขาสะพายแรงเลยนะบอกให้รู้เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยมันมันก็ต้องรู้อยู่เหมือนกันนะว่าเออมันต้องรู้จักประมาณเพราะฉนั้นเนี่ยจะต้องเข้าใจกฎของไตาลักเนี่ยเอาเข้ามามันจะช่วยทําให้เราประมาณได้ดีขึ้นไม่ใช่ว่าเราจะอย่างนี้ก็เลยต้องยอมเลยสิก็เลยไม่ทําดีไม่ใช่นะก็ยังคงทําดีพระเจ้าท่านกรหนุนให้ทหําดีนั่นแหละแต่หนุนอย่างให้รู้จักประมาณให้เก่งขึ้นนะไม่ใช่เอาแต่ ใจตัวเราเองเราว่าดีอย่างนี้เราเราจะเอาแต่ใจตัวเราเองโดยไม่คํานึงถึงคนอื่นเลยว่าว่าดีของเขานะี่ยมันยังไงอะ่ะเพราะจะหลต่างกันเะน่ะคนเรามีตั้งหลายจลิตนิสัยมันไม่เหมือนกันนะนะอาตมาก็ยกตัวอย่างอยู่เรื่อยว่าสองคนยนต์นตามช่องคนหนึ่งมองเห็นดวงดาวใช่ไหมอีกคนหนึ่งมองเห็นโครนตอม ท่านจันบอกว่าคนนึงมองเห็นโกลตอมก่อนอีกอีกคนหนึงตาแหลมคมนะก็มองเห็นดวงดาวอ่ามันก็อย่างนี้แหละก็มองช่องเดียวกันเลยนะแต่มันเห็นต่างกันนี่ก็คือจริตนิสัยที่ต่างกันแล้วนะก็บอกแล้วก็อยู่วัดเดียวกันอ อ, อยู่สำนักเดียวกันแต่คิดไม่เหมือนกันก็ได้นะเราอยู่ร่วมกันได้ท่านจันท์ก็เคยแต่งเพลงเพลงอะไรนะ แต่งกรอนแต่งกรอนนะพูดผิดแต่งกรอนอะอะไรอะแตกต่างแต่สามัคคีวันพวกเราเนี่ยจะแตกต่างแต่สามัคคีนะความคิดเห็นมันคนละจริตได้วันถึงบอกว่าแม่มาถือศีลปฏิบัติธรรมเนี่ยหกจริตเนี้มีมีหมดแหละในวัดเนี่ยในในชาวโสงเนี่ยมีครบแหละแล้วคนคนเดียวเนี่ยบางทีมีครบอหกจริตคนเดียวเนี่ยแหละ เออเจิีสุดท้ายนะเจลีสุดท้ายคือวิตากาจริดนะอันนี้เปียบเหมือนนกวิตากาจริตเราก็รู้แล้วนะเป็นพวกอะไร ว, วิตกวิจารเนี่ยวิตกะเนี่ยคือคิดพวกนี้สายค่อนข้างคิดมากสายฟุง้งซ่านก็เลยเปียบเหมือนนกปล่อยนกเมื่อไหร่ก็จะบินขึ้นฟ้านะทัวเลยนะจะไปที่นั่นจะไปที่นี่ เหมือนกับบางคนเนี่ยมาฝึกเจโตสมาธิเนี่ยพอมานั่งพับเอาแง่งข้อละครังเอาเริ่มไปเลยนกบินเลย <c oughs> นกบินเลยแล้วไม่มีเชือกเลยนะบินไปไม่มีเชือกเลยอ่ะก็อุูซาหบอกว่าเอากาสินเอาไว้นะากาสินเนี่ยเป็นสติแล้วได้ดึงดึงจิตเอาไว้ไม่ให้นกมันบินไปไหนไปเลยไม่เอาเชือกมาด้วยมานั่งเจโตแล้วไม่เอาเชือกมาด้วยปล่อยเลยไปอะไรไ ป, เไปเอเมริกาไปที่เบตไปไหนไปใหญ่เลย บางคนก็นั่นแหละไปที่โรงหนังที่เขาฉายอยู่แล้วตอนเนี้ยสุริโยไทยอไปแล้วออยู่วัดแท้แต่นะแต่ไปเลยนกบินไปเลยเพราะฉะนั้นอันนี้แหละวันสายพิตรกาจริดนี่เป็นสายที่พระเจ้าท่านถือว่าบรรลุธรรมช้าที่สุดเลยเนี่ยเอาไว้สุดท้ายเนี่ยเพราะว่าบรรลุธรรมช้าที่สุดพวกนี้คิดมากฟุ้งซ่านสายฟุ้งซ่านคิดอยู่นั่นเน่ยมีตัวอย่างบางคนเนี่ยมันอยู่วัดแล้วปฏิบัติธรรมไปตั้งหลายปี ยังไม่หายเงินงงสงสัยไอ้โน่นก็ยังสงสัยไอ้นี่ก็ยังสงสัยไม่ยอมจบไม่ยอมกล้าตัดสินใจอะไรลงไปบ้างทําไม่ไม่ไ ม, ไม่สําเร็จไม่แล้วสักทีหนึ่งไม่เสร็จสักทีเดี๋ยวเดี๋ยก็วนกลับมาอีกแล้วก็ไม่ได้คิดเรื่องใหม่อะไรก็เรื่องเก่าอะไรคิดวนกลับมาอีกแล้วนะนึกว่าไปไหนเออโถเอ้ยก็บินอยู่แค่ในวัดอย่างเงี้ย <c oughs> ก็วนรอบเป็นวงกลมอยู่อย่างเงี้ยไม่เห็นบินไปไหนก็วนไปวนมาวนไปว น, น, นมาก็เวียนหัว เวียนหัวตัวเองนะพอเวียนหัวก็ตกก็ตกเครื่องบินตกก็เป็นอย่างนั้นเพราะนั้นสายนี้เป็นสายที่บรรลุทำช้าที่สุดโอ้พระพุทธเจ้าท่านตัดอันตรามจำไม่ได้และไม่รู้กี่แสนอสงไข่มหากรับก็ไม่รู้ช้านานที่สุดพวกเนี้ยบางทีก็มีใจที่ใฝ่ดีนะจะมาปฏิบัติธรรมเออก็รู้เหมือนกันว่าเอ อ, เ อ, อ, เ อ, อมามาฟังธรรมนี่ก็ดีแต่พอมาฟังแล้วมันอดไม่ได้มันมันเสียนิสัยแล้วอ่ะมันเป็นจริตแบบนั้นเนี่ย มาฟังทำนี่ก็ฟังไปก็แทนที่จะฟังว่าอาตมาพูดอะไรแล้วก็ทําความเข้าใจอย่างที่อาตมาพูดไปเนี่ยนะแต่ฟังไปแล้วก็ก็กเทศตัวเองเทศอยู่ในใจตัวเองด้วยอะ <c oughs> ฟังไปแล้วก็เทศเทียงกับอาจมาอยู่นั้นนะเออเราจะไปรู้เรื่องอยังไงเล่าก็ไม่รู้เรื่องเลยที่ก็ปุงฟุ้งไปเรื่อยหรือบางทีเนี่ยฟังมาได้ตรงนี้หน่อยใช่ไหมก็ปุงฟุ้งของตัวเองไปแล้วมันนอกเรื่องไปแล้วอาตมาเทศไปจริตที่ที่หกแล้วนี่ยังยังคิดอยู่จริตที่หนึ่งอยู่เลย ยังปุงฟุ้งอยู่จริตที่หนึ่งอยู่เลยอย่างเงี้ยแล้วมันมันจะไปตามอะไรทั น, นตามไม่ทันแล้วพวกเนี้ยวนอยู่อย่างนั้นจนในที่สุดบอกแล้วหาทางออกไม่เจอวันสายนี้ยากมากเลยลาบากมากวันพระพุทธเจ้าถึงได้ตัดแก้เลยวิธีแก้ของสายฟุ้งซ่านมากมากท่านให้ใช้ฝึกอาณาปานาสติสายนี้แต่ต้องเป็นแบบของพุทธนะอาณาปานาสติแบบของพุทธ ก็คือว่านะก่อนอื่นรู้แล้วสายฟุง้งพอ น, นสายฟุ้งนี่มาฝึกฝึกนิ่งนิ่งมาฝึกหยุดนะหยุดนะนิ่งนิ่งหยุดหยุดให้ได้ก่อนเพราะว่าสายนี้อยู่ไม่สุกเลยนะโดยเฉพาะยิ่งความคิดเนี่ยไปตลอดเวลาพวกนี้ถ้าเป็นมากเข้ามากเข้าต้องกินยาเพราะนอนไม่ค่อยหลับแล้วก็หนักกว่านี้ก็นู่น ไปอโศกสองนุ่นไม่ใช่อโศกนี่ไปอโศกสองเลยถ้าหนักกว่านี้เพราะฉะนั้นแล้วอันนี้ต้องระวังมากๆเลยนั่นสายนี้ต้องพยายามต้องแก้นะอย่างของที่เราเนี่ยเราก็มาใช้แก้แบบแบบอาให้มาฝึกสมาธเพราะอนาปานาสติเนี่ยโดยเบื้องต้นเนี่ยก็คือฝึกสมาะในในช่วงแรกช่วงแรกพูะเจ้าจะให้ฝึกเหมือน เ, เหมือนสมาของฤาษีนี่แหละช่วงแรกนะฝึกกาหนดลมหายใจเข้าลมหายใจออกนะ รู้สังขารร่างกายรู้จิตอะไรต่างจนกระทั่งให้มันสงบระงับคือจะใช้กระสินอะไรก็แล้วแต่นะจะใช้ลมหายใจเข้าหายใจออกก็ได้สั้นก็รู้สั้นยาวก็รู้ยาวเข้าก็รู้เข้าออกก็รู้ออกจนกระทั่งจิตมันสงบนะถ้าแค่ของฤู้สีนี่แค่ตรงยี่พอแล้วสงบแล้วสบายแล้วของฤู้สีจบจบแค่ตรงนี้ไม่ต้องไปปรุงไม่ต้องไปคิดอะไรต่อแต่ถ้าอาณาปานาสติของพระพุทธเจ้าแล้วพอจิตสงบแล้วนี่ ท่านต่อท่านไม่ให้หยุดแค่ตรงนี้พอจิตสงบระงับแล้วก็เริ่มแล้วเริ่มพิจารณาแล้วคราวนี้นะจะให้เห็นถึงถึงปิติถึงความเบาว่าเออมันไม่มีกิเลสนี่มันเบายัางไงมันโปร่งยังไงมันสบายยังไงไม่ต้องมีหัวคิดเรื่องห่วงเรื่องกังวลเรื่องเงินเรื่องทองเรื่องอาหารการกินเรื่องท้องเรื่อ ง, อ, ง, อ, งอะไรลูกเต้า เรื่องบ้านเรื่องช่องอะไรโอ้ยมันโปง่งมันสบายอย่างนี้เริ่มแล้วเริ่มแล้วนี่เริ่มพิจารณาให้เห็นนะเห็นความสุขจากการที่เออไม่ต้องไปปรุงฟุ้งอะไรนะโอ้มันสบายอย่างนี้นี่เองเสร็จแล้วครนี้พอได้ความสุขจากการว่างจากการโล่งอย่างนี้แล้วนะพระพุทธเจ้าท่านให้พิจารณาแล้วครนี้ถึงกิเลส ต, ต่างๆของเราจะเรื่องกินอยู่รับน้องเล่นอะไรก็แล้วแต่ที่เรามีอยู่เนี่ยพิจารณามาที่เรายังมีปัญหาเราแก้ไม่ตก เรื่องอะไรพิจารณาขึ้นมานะจนกระทั่งพิจารณาแล้วอย่าวนบอกแล้วพิจารณาแล้วเนี่ยให้มันสรุปลงหาที่ลงหาที่จบเนี่ยให้ได้แล้วอย่างนี้ในที่สุดแล้วมันก็จะมีข้อที่จะเอามาประพฤติเอามาปฏิบัติได้เกิดขึ้นมาแล้วพอคนนั้นเนี่ยก็เอาไปใช้วัะอานาปนาสติของพผู้เจ้าไม่จําเป็นต้องนั่งก็ได้ไม่จําเป็นต้องนั่งก็ได้จะทํางานทําการจะอะไรเนี่ยถ้าเรา ทำจิตเราให้นิ่งให้เราสงบได้แล้วเราพิจารณานะวิปัสสนานั่นเองวิปัสสนาที่จะขี้คลายจิตของเราเนี่ยปรับเปลี่ยนจลิตเราเอ้ยเราลังเลเราสงสัยเราไม่กล้าตัดสินใจนะเรายังวนไอนน้เรื่องนั้นเรื่องนี้ในที่สุดท่านก็ต้องมีถ้าไม่ฟันชั่วแบบสมถะก็เอา้าคิดให้มันที่สุดที่จบไปเลยแล้วก็จบแล้วก็คือจบวาง จบแล้วคือจบอย่าไปต่อมันนะให้มันเป็นไปตามกรรมของมันเราไม่ต้องต่อมันต่อมันต่อมันเองเราไม่ต้องไปต่อคือจิตของเราไม่ต้องไปต่อพอเดี๋ยวมันมีปัญหามันมีอะไรมันก็มาของมันเองเดี๋ยวเราก็ค่อยคิดใหม่แล้วก็แก้ปัญหาไปอีกนะอ้าวอันนี้เป็นจริตทั้งหนะที่พระเจ้าท่านก็แนะนําพวกเราแล้วก็แนะวิธีแก้ให้แล้วด้วยถ้าพวกเราทุกคนเนี่ยไปฝึกนะ เรียนรู้ตัวเองรู้จรลิตของตัวเองว่าเรื่องไหนเราเป็นอะไรแล้วเราพยายามไปแก้ไขจรลิตของเราเองเราก็จะเป็นจริตที่ดีจะเป็นศรัทธาจริตเป็นพุทธเป็นพุทธิทธทจรลิตขึ้นมาก็จะทำให้เราเนี่ยแหละพ้นจากทุกได้น้ น, นที่สุดวันนี้ก็คงฝากไว้เพียงเท่านี้